นักบุทรศักดวตูอระหะตูส ม, มาสัมพุทธศักข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกระพร้าขาัาจา์และคณะสงฆ์ทุกรูปสมณเนรเจริญในสุขในธรรมในชีและ บาสุภา ษ, ษิกาและสาธุชนทุกท่านตั้งใจฟังแล้วก็งานนี้ที่ได้มาร่วมจริงตั้งใจมานานแล้วนะเคยคุยกับคุณประดิษฐ์ว่าอยากจะมาเยี่ยมอาจารย์กำพลที่นี่ก็พยายามอาถามรายละเอียดต่างๆก็ไม่ได้มาสักทีหนึ่งเพราะว่าได้คุ้นเคยกับอาจารย์กำพลมานานนะ แต่นูน่นสมัยอยู่ที่วัดแพร่แสงเทียนเมื่อก่อนไปสร้างวัดแพร่แสงเทียนแล้วในปี4 2อเนี่ยอบรมนักศาหมอมลาลยเม่โจ้ึีใกล้อยู่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดแพรแสงเทียนอำเภอล่องกวางที่แพร่ก็เลยเชิญอาจารย์ขึ้นไปช่วยอบรมนักศาด้วยที่มาลาไม่โจแล้วก็ก็ไป อย่างมุนถ้าไปบรรยายที่วัดด้วยเช่นนั้นก็มีคอร์สต่อมาก็ได้ช่วยกันเรื่อยๆแล้วก็มาพบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันที่วัดป่าสุกตพอมาเมื่อก่อนก็อยู่วัดป่าสุกตสมัยปี 27-28 27อยู่วัดธ่ามาไฟหวาน28ก็มาอยู่ที่วัดป่าสุกตูสรองพ้อคำาเขียนสมัยนั้นยังมีไม่มีใครมาก ก็เรียกว่าไปได้สภาวะธรรมที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นญาติธรรมเป็นสมาชิกหลวงพ่อคำเขียนลูกศรริษย์หลวงคำเขียนไปด้วยอรายสุคตูนั่นก็จึงเริ่มลึกถึงในคุณธรรมของโยมที่เป็นอุบายสกที่เราได้ทราบเกติศัพท์ทมาแล้วว่าอาจารย์กําพลไม่ใช่คน ธรรมดาไม่ใช่คนพิการธรรมดานะก็ได้นำเอาผลงานของท่านหลายๆส่วนไม่ว่าเป็นหนังสือซีดีคำบรรยายของท่านไปเผยแพร่ทั้งที่ในประเทศและต่างประเทศด้วยพอธรมาเองนั้นเดินทางไปประมาณในการเผยแพร่ระหว่างไทยต่างประเทศตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึงปัจจุบันไปมาไปมา ก็นําเอาผลงานของท่านไปเผยแพร่ด้วยนะก็เหมือนว่าเราได้อาจารย์กําพลท่านเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นคนพิการแต่ว่าได้กําลังช่วยหลวงพ่อเทียมเป็นกําลังใหญ่ทีเดียวนะเพราะท่านไม่ใช่ช่วยแต่เป็นใช้คําพูดหรือใช้วจีกรรมเป็นอุปาอุปกรณ์เท่านั้นแต่ท่านใช้กายกา ย, ยกรรมของท่านเป็นอุปกรณ์ด้วย ก็จึงเหมือนเสมือนหว่าได้เปรียบกว่าคนธรรมดาอสองเท่าทั้งกายทั้งวาจาเป็นอุปกรณ์สอนธรรมก็เป็นแรงบันดาลใจแก่นักปฏิบัติในวิธีการนี้หลายคนซึ่งในวิธีการหวเทียนไม่ใช่เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ง่ายๆต่อเมื่อได้คํายืนยันนอกจากครูบาอาจารย์แล้วก็อาจารย์กํำพลก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายหลายคน ที่ยังกล้ า, ก ล, า ก, กลัวสำหรับวิธีการนี้อยู่นะฉะนั้นเองก็ได้นึกถึงคุณอุปการเหล่านี้ตามปกติมาเองก็ได้จัดเรียกว่าเป็นธรรมบูชาเรีว่าธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาเนี่ยให้แก่ทั้งพระภิกษุอุบาสกบัสกาผู้มีธรรมเมื่อถึงบรารนณะภาพลงก็จะไปจัด งานอบรมเป็นปฏิบัติบูบชาเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากว่าทางเป็นอุวาสุบิการถ้ า, าครอบครัวยังไม่พร้อมกอ็ขอไปจัดที่วัดหลังจากชมชาปนากิจอะไรเสร็จแล้วทําที่บ้านแต่ขอเอากระดูกเอาอะไรไปจัดทําบุญที่วัดเขาเรียกว่าทําบุญแจกข้าวขอจัดในช่วงนั้นถ้าเป็นพระเองถ้าเป็นมรณภาพลงก็ส่วนใหญ่จะขอว่าให้เก็บไว้ก่อน มืถึงเวลาพร้อมเมื่อใดสามเดือน5เดือน6เดือนก็ามาบําเพ็ญกุศลแล้วก็จัดงานอบรมให้ในช่วง5วันบาง7วันบางก่อนเผานะไม้กระทั่งหลวงพ่อคำเขียนเองก็ไปจัดอบรมไว้สวันหรือหวันพ่ออาจารย์จัดตรง น, นั้นนะที่ก่อนที่จะมีการชาปน ก, กิจไปจัดที่นั่นนั้นในกรณีของอาจารย์คําพนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่อยากจะมาจัดให้เป็นอมิสบูชาคือบูชาธรรมของท่านเป็นบารณาธรรมอนุสอนนะให้กับผู้ที่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วก็ช่วยเผยแพร่ธรรมเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆในยุคนี้ เ, เมื่อมีการจะต้องอัปพาอรมทหน้าที่จนอัมลาภาจากกันไปแล้วก็เราก็ไว้อะไรกันด้วยปฏิบัติบูบชา เราอาจจะไม่มีพวงหลีดดอกไม้อะไรสวยๆงามๆแต่เราจะได้มีหัวใจจิตใจงามๆ ม, มาปฏิบัติบูชานะส่วนที่นี้จะมีความพร้อมเท่าไหร่เอาตามความพร้อมนะไม่ไม่ใช่ว่าเออจะต้องจัดอย่างงี้ไม่ใช่แต่เบื้องต้นนี้ก็อยากนําเสนออย่างนี้ว่าในช่วงเช้าตามพฏทธิธรรมทวัตที่นี่แม่พระอาจารย์ขอเป็นปรึกษาด้วยทํ า, า, าที่นู่นนะช่วงเช้าเราทําวัดที่นู่นก็ถือว่าเป็นการ จัดคอร์สก็คือในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป 25, 26, 27, 28, 29เาไปถึงวันที่30ก็ได้5วันนะวันเต็มเต็มก็ทางอาทางสถานที่และเหตุการณ์อำนวยให้เท่าไหร่แล้วก็ก็ทำเท่านั้นไม่อะไรไม่มีอะไรขัดข้องและขัดขืนนะแต่ให้เป็นไปโดยธรรมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะจัดเป็นตารางเวลาหรือสเกจช่วๆว่าวอย่างนี้ว่า ช่วงเช้าถ้าใครต้องการปฏิบัติร่วมอาจจะเป็นสามวันห้าวันหกวันก็แล้วแต่ก็ช่วงเช้าเราเริ่มกันที่ตรงนั้นที่นี่ตามปติที่สี่เราตีละฆังเวลาเท่าไหร่พี่ยนที่สี่ครึ่งครับที่สีครึ่งเนาะแต่วัตถีละฆังก็ที่สี่นเองที่ข้ามกรุกก่อนหนาทีก่อนห้านาทีพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาตีสักทีสได้มั้ยะพี่นให้เวลาเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงเราตีละฆัง ดี 4, แล้วก็ดีสีขึ้นก็พร้อมกันที่ศาลาก็ขอปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะเพื่อให้มันเป็นกิจารักษณะนะครับคิดว่าพระอาจารย์นโนท่านจัดกลุมเป็นประจําท่านก็คงไม่ขัดข้องแต่ต้าถึงเจ้าเจ้าของบ้านโยมศรีนาหรือโยมเอ๋มาทำวัดด้วยหรือเปล่าครับคงคงจะได้ขออนุญาตด้วยนะขออนุญาตเจ้าของบ้านด้วย ในการจัดทําอมิตรปฏิบัติบูชาพระอาจารย์อภินพลซึ่งเป็นคนที่ดูแลอาจารย์อภินพลมาตลอดนะแล้วขออนุญาตทางอาจารย์โน้ตด้วยที่เราจะได้จัดปฏิบัติบูชาร่วมกันว่าช่วงเช้าที่สี่เราตีล้ครั้งที่สีครึ่งเราพร้อมกันที่ศาลาธรรมวัดครึ่งชั่วโมงนะถึงที่ห้าธบุตรช่วงเช้าเราถวายอาหารพระเวลาเท่าไหร่ครับเจ็ดงครึับเจ็ดมงครึ่งนะ 6มงินาหกโมงมิถนามงขึ้ชครับก็7จ็ดโมงมิธุาหกโมหกโมมิถุาหิถาเนี่ยดังนั้นในช่วงที5ห้าถึงหกโมงทั้งพระทั้งโยมก็จะนั่งปฏิบัติรวมกันที่นั่นนะตั้งแต่หลังทาวัดเสร็จนั่งปฏิบัติอาบูชากันประมาณหนึ่งชั่วโมงจากที่หถึงโมง ในช่วงหกโมงนี้พระท่านก็จะลุกไปบินเบาทแล้วสำหรับญาติโยมเองก็จะได้รับฟังการศึกษาธรรมสนทนาธรรมให้สติให้วิธีการอบรมในวิธีการของพรเทียนก็เราข อ, อาจาย์กำพลตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปเราไปทานเช้าเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมใช่ไับก็ ถึงประมาณจากหกโมงถึงเจ็ดโมงเป็นการอบรมศิลธนรกรรมให้อารมณ์กรรมาฐานจากเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึง่งก็อยากจะพาเดินจงกรมนะเดินจงกรมรอบสถานที่จนประมาณสักครึง่งชัวง่วโมงแล้วก็ตั้งแถวรับอาหารต่อจากพระเจ็ดโมงถึงเจ็ดโครึ่งก็รับอาหารเจ็ดโมงครึ่งเริ่มรับอาหารนะเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงคึ่งก็คือเดินจงกรมร่วมกัน สำหรับญาติโยมที่อาจจะเข้าปฏิบัติหรือไม่เข้าปฏิบัติก็ตามแล้วก็เป็นการเดินจงกรมประเภทที่ว่าเป็นเราไม่อยากจะใช้คำว่าไว้อะไรอยากใช้คำว่าเป็นอันถวายธรรมานุสานเป็นอนุสรวด้วยธรรมเดินจงกรมสร้างจังหวะเจ็ดโมงก็รับประารแล้วเสร็จก็ประมาณ8ปดโมงหรือ8ดโมงครึ่ง ทีนี้เข้าปฏิบัติร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทีนี้ในช่วงเช้าถึงเพนเพนรับประมาณเทะะ่าไหร่สิบเดโมงครับสิบเอนะเสร็จมุ่งเพราะนั้นเราจะเข้าร่วมปฏิบัติร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงทีนี้ในรูปแบบเนี่ยเนื่องจากสถานที่เราจําจกัดที่ตรงศาลาตรงนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นที่ไปมาของแขกเข้ามาเยี่ยมศบเยี่ยมอะไรไม่สะดวกเนาะเราก็จะใช้ศาลา อบรมข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งสร้างจังหวะโดยการเปลี่ยนิยบทจาก 8.30 มงครึ่งถึงสิ0 0มงเราจะใช้สถานที่เมื่อสิ0 0อดมงแล้วนี่รับอาหารเรียบร้อยแล้วประมาณจากช่วงเพลนไปเนี่ยาจากช่วงเพลไปจะเป็นการปฏิบัติแบบอิสระเพราะเนื่องจากอากาศมันร้อน เราคงจะไปนั่งรวมปฏิบัติกันที่ใดที่หนึ่งคงไม่สะดวกทั้นั้นก็จากช่วงหลังเพนแล้วเนี่ยจนไปถึงช่วงสักทำปุตรรับน้ำพนะกสี่โมงสี่มหรือห้าโมงตอนันที่นี่นะก็จากช่วงบ่ายพักผ่แบบปฏิบัติอิสระจากช่วงทานแล้วถึงบ่ายสามโมง จากบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงห้โมงนะบ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงจะเป็นอาบน้ําอาบท่าแต่ว่าอาจจะมาเร็วกว่าปกติดีหนึ่งคือสี่โมงเราอาบน้ำห้าโมงเนี่ยเราอยากจะมานั่งปฏิบัติที่นี่ก็ไม่ร้อนละหโมงนี่นะไม่ร้อนละห้าโมงถึง6กโมงมานั่งร่วมปฏิบัติที่นี่จนถึงเวลาทำวัดเสวสาธรายธรรมแล้วหลังจาก นั้นก็ปกติก็คือหลังจากที่เราสวดมาที่บางสกุลสวดอภิธรรมเสร็จแล้วก็จะมีการฟังธรรมย์ยายหรือบางครั้งก็อาจจะฟังวิดีโอของครูบาอาจารย์แต่บางครั้งก็จะเป็นครูบอาจารย์ที่มาร่วมงานจะได้มน่มท่านได้ให้ข้อคิดให้กำลังใจและให้ทำไปด้วยนะแต่ละท่านที่มาที่ ปฏิบัติในวิธีการของพ่อเทียนมา5ปี10ปี20ปี30ปีทางพระทั้งโยมก็มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันนะก็ม่ไหมายความว่าจะมาจะมานั่งพูดคนเดียวก็ไม่ใช่ใครที่ได้ปฏิบัติทางสายนี้มาจุดเข้าใจแล้วก็ไม่ว่าทั้งพระทั้งโยมก็มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์กันจนถึงประมาณ6กจากหกโมงเจ็ดทุ่มไม่เกินสามทุ่มนะ เราก็จะเข้าพักผ่อนกันนะส า, ามทุ่ก็อาจจะเลิกก่อนสามทุมนิดหน่อยเพื่อให้ได้นอนประมาณสักสามทุม่มจากสามทุ่มไปต้นไปก็ไปตื่นทีสามทีสี่ตามเวลาเช้าก็คิดว่าเพียงพอเพราะนั้นเบื้องต้นนี้ให้ตกลงตามอาลองเอ า, อาตารางนี้ซึ่งก็คงจะไม่เข้มเกินไปให้เป็นรูปแบบนิดหน่อยมันให้เป็นรูปแบบตารางเวลานี้ ซึ่งความจริงแล้วนี่มามาเที่ยวนี้ได้สองเดือนก็งานสุดท้ายก็ที่แรกจะเ ส, เสร็จวันที่ยีสามพอวันที่ยสีเนี่ยว่าจะลงใต้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นลงใต้ไปจัดที่พอทางกลุ่มทางใต้ไปจัดที่จังหวัดตรังวดัดอุทยานที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก็เลยบอกให้ทางกลุ่มทางใต้เขาว่าขอมาจัดเป็นทำมาบูชาให้อาจารย์ กัพลตรงนี้ก่อนในช่วงดังกล่าวนี้เลยขอตัดโปรแกรมจากถนนไปที่แรกก็จะไปจัดทั้งเรื่องแต่24ถึงวันที่30สก็เลยแล้วก็ปรับกระบวนกัรวันที่ยีวันที่ห้ได้เดินทางมาวันนี้ก็มาเริ่มต้นที่นี่ก็ไม่ขาดจากงานลิทิตทาพุทธิงานลิทิชตลอดนะเพราะก่อนมาที่นี่ก็ไปจัดอยู่ที่นู่นไม่สอดจากเสร็จจากไม่สอดก็มาที่วัดดอยแล้วมาที่แพร่แสงเทียนเสร็จก็มาที่นี่ต่อ จากที่นี่ต่อก็ก็คงจะเป็นที่คารุษตินะวันที่5ถึงวันที่10วันที่กลับอเมริกาวันที่10พฤษภาก็อเมริกาก็เหลือที่อเมริกาอีก 2-3 ริามีตรีทก็ที่ยุโรป1ที่เยอรมันหนึ่งก็กลับมาอีกทีก็ประมาณปลายมิถุนาก็เดินทางจัดเรื่องนี้ตลอดนะเรื่องลีทรีทเนี่ยนั้นเองก็ช่วงนี้มาที่นี่แล้วก็คงจะจัดกันที่นี่ส่วนท่านผู้ใดที่มีศรัทธาที่จะบูชาธรรมะ ในวิธีการนี้ของหลวงพ่อเทียนโดยสถานาในอาจารย์กำพลเนี่ยก็ลองเข้าศึกษาปฏิบัติดูส่วนใหญ่คอร์ส ข, ข, ของผมเร้าเิศตมาที่ทำช่วงหลังเนี่ยเป็นคอร์สแบบต่อยอดคือหมายความว่าคนที่ผ่านพื้นฐานมาพื้นฐานและหลมรูปนามาหลายปีแล้วเนี่ยคจะได้ต่อยอดขึ้นไปมาฝึกในคอร์สที่ละเอียดขึ้นมาเก็บรายละเอียดมากขึ้นเราใช้ควาว่าคอรส่วนใหญ่จะใช้ควาว่าธรรมวิจยะหรือโยนิสมณสิการ เก็บรายละเอียดในอินดบทมากขึ้นแทนที่จะเป็นเก็บปฏิบัติเฉพาะในชั่วโมงปฏิบัติแล้วก็ตามเก็บรายละเอียดในช่วงทํางานด้วยเอาไปใช้ชีวิตประจำวันด้วยเน้นให้เอาไปใช้ส่วนใหญ่เราเป็นนักหาเงินแต่ว่าไม่เป็นนักบริหารเงินที่ดีคนส่วนใหญ่หรือเป็นคนจนมากกว่าเป็นเศรษฐีแต่คนเศรษฐีเนี่บริหารเงินเก่งยิ่งหายิ่งได้หาน้อย ได้มากใช้เวลาน้อยหาเงินได้มากแต่คนจนใช้เวลามากหาเงินได้น้อยหาเงินทั้งปีทั้งชาติทั้งชีวิตก็ยังเป็นหนี้ต่างหากนักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าจเจริญสติแบบจเจริญเอาไม่ไม่เอาสติไปใช้ไปบริหารจากการใช้ให้เป็นน่ยยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งรู้เหมือนว่าไ ม, ม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรพิ่งปฏิบัติก็ยิ่งยากจนยากจนในที่นี่หมายถึงว่ายังเป็นทุกข์อยู่ยังคิดมากยังอนอนไม่หลับอยู่ บางคนก็หาได้เรื่อยๆแก้ไขปัญหาได้เรื่อยๆระดับปานกลางคนระดับปานกลางก็เยอะอยู่คนยากจนก็คือว่าเอามาเอาไปหาตอนที่ปฏิบัติเท่านั้นแหละพอจากปฏิบัติไปแล้วก็ใช้สติจนหมดแล้วหลายรอบจนเป็นหนี้จะมาปฏิบัติอีกทีหนึ่งก็หาเงินได้อีกก้อนก็ใช้ไปบดอีกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติ ตอนหลังมามาก็เลยว่ามันแนะวิธีการใช้สติให้เป็นนอกจากหาสติหาสมัติยาหาปัญญาเป็นแล้วต้องใช้ให้เป็นเมื่อใช้ไม่เป็นแล้วเนี่ยมันก็เราก็อยู่เท่าตัวหรืองายา ก, ยากจนกว่าเดิมไม่เป็นเศรษฐีทางธรรมเศรษฐีดังนั้นอยากจะให้เป็นร่ํารวยขึก็หมายควาว่าเก็บทุกเม็ดของการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในวิธีการหลวงพเทียนนี่ มาโดดเด่นตรงที่ว่าเราใช้การเคลื่อนไหวเป็นที่ตั้งนะการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นรูปเป็นนามก็ได้เป็นรูปแล้วล้วนก็ได้เป็นนามแล้วล้นก็ได้เพราะการเคลื่อนไหวของในตัวของเราเนี่ยท่านแบ่งเป็นถึง4ระดับระดับหยาบหยาบที่สุดเรียกว่าการเคลื่อนไหวของกายหรือกา ย, ายานุปัสนาสตนะิการเคลื่อนไหวระดับ ต่อจากกายไปก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวของความรู้สึกของกายเรียกว่าเวทนานุปัสนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดขูดเย็นเคลื่อนไหวของอย่างไรก็มีความรู้สึกของกายจะออกมาเย็นร้อนคอนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวดร้อนพวกนี้เป็นการเคลื่อนไหวระดับที่2ของกายพอการเคลื่อนไหวระดับที่3เป็นการเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นการเคลื่อนไหวของความคิดและอารมณ์ ต่างๆที่มันเข้ามันออกความคิดเข้าความคิดออกอารมณ์ที่มันเข้ามาออกไปเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวระดับที่4ี่การเคลื่อนไหวระดับที่3การเคลื่อนไหวระดับที่4เป็นการเคลื่อนไหวทางอารมณ์ว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวของจิตแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของอารมณ์ว่าอารมณ์ดีมันเคลื่อนไหวอย่างไรอารมณ์ไม่ดีการเคลื่อนไหวอย่างไรอารมณ์ที่มันเป็นความอยากมันเคลื่อนไหวอย่างไรอารมณ์ที่มันเป็นความโกรธมันเคลื่อนไหวอย่างไร อารมณ์ที่มันเป็นความหลงมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วฝ่ายกุศลที่มันเป็นศรรีลมันเคลื่อนไหวอย่างไรอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันเคลื่อนไหวอย่างไรอารมณ์ที่เป็นปัญญามันเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวทุกมิติทั้งรูปรั้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวทะลุทุกมิตินั้ น, น, นหมายความว่าเราก็เข้าถึงสภาวะ ในการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเราใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นนิมิตของกรรมาฐานไม่ใช่ก า, ก, าาการเคลื่อนไหวท่ากายเวทนาการเคลื่อนไหวจิตของอารมณ์ด้วยซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ละเอียดที่สุดเราก็เห็นถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวระดับจิตและอารมณ์เราก็เห็นปรมัตน์ถ้าการเห็นการเคลื่อนไหวระดับกายและเวทนาเราก็เห็นรูปเห็นนามอย่างเงี้ยเราก็มาบัญญัติเป็นภาษาที่หลวงพ่อเทียนว่าเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทํานาทํารูปโลกนาโลกเห็น ทุกน้ำทุกเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาเห็นสมมุติเห็นปรมัตดตามภาษาของท่านแต่ถ้าเป็นภาษาที่เป็นตำราหรือสติปัฏฐานสูตรคือเห็นการเคลื่อนไหวของ ส, อสติ4ระดับนั่นเองเห็นการเคลื่อนไหวกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองแต่ภาษาหลวงพ่อเทียน ก, ก็ใช้ภาษาของท่านเราก็เข้าใจเพร่อทร า, ายเองนั้นเคยเรียนมาทั้งปริยัตปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่จะรับวิธีการหลวงพ่อเทียนม า, มาค่อนข้างยากมากใช้เวลาเป็นสิบ ป, ปี พบหลวงพ่อเทียนไ ด, ได้เป็น19แต่จะเข้าใจชัดเจนยอมรับแบบสนิทจีสนิจะถึงปี29แต่จะปี19ถึง29นี่โอ้โหมันก็วนไปวนมาเวียนไปเวียนมารับบ้างไม่รับบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างเอาบ้างไม่เอาบ้างก้ากลวกาัวสูว้สู้ถอยถอยู่งั้นแหละจนถึงปี29นะได้เก็บอารมณ์ของท่านกับท่านเป็นเวลาผ่านษาหนึ่งะออกพรรษาแล้วมาเก็บอารมณ์ต่อที่ป่าสุโกโต อ, อีกสิบ ตั้งใจว่าสิบห้าวันพอถึงวันที่สิบอ็แล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนกระทั่งวันนั้นถึงวันนี้มาจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่สิบอดพฤศจิกายนเวลาบ่ายสองโมงของวันนั้นจนถึงวันนี้เหตุการณ์วันนั้นแจ่มแจ้งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยี่สิบกว่าปีเกือบสาสิปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ทํางานตั้งแต่นั้นมาตลอดนะดันั้นในวิธีการของพ่อเทียนมีอะไรที่โดดเด่นชัดเจนมากๆแต่เราจะต้องเรียนรู้ตามลําดับ ไม่ใช่ว่าทำไปเลื่อยเปื่อยอย่างที่เราทำก pues. men ah ันมันเห็นรูปธรรมเหมือนเห็นนามธรรมเห็นนามธรรมเหมือนเห็นรูปธรรมเนี่ยในภาษาหลวงพ่เทียนเห็นรูปนามเลยเห็นรูปธรรมนามธรรมนะรูปมันทำงานอย่างไรเห็นนามมันทำงานอย่างไรเห็นนะถ้าหากเห็นรูปเห็นนามมันทำงานแล้วถ้ามันทำงานไม่ถูกมันกะออกมาเป็นนามารูปถ้ามันทำงานถูกมันก็ออกมาเป็นนามอ่ามันเป็นนามารูป อ่านาน้ำถูกมันจะเป็นน้ำล้วนๆถ้าอ่านถูกบ้างผิดบ้างจะเป็นรูปนามอะไรสม้งเราก็จะมีการเห็นลําดับของมันชัดเจนซึ่งเราถือว่าโชคดีมากๆเลยถ้าคนในคนที่เข้ามาปฏิบัติในสายวิธีการของวัฒเทียนไม่ใช่น้อยๆ น, น, นะแต่คนที่จะเห็นชัดเจนจนไม่หลัง่งเล่ยสงสัยนั้นนับตัวได้เลยทีเดียวนับตัวได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่โบราณเขาเรียกว่าศาสนาบารมีช่วยเสริมด้วยนะที่จะชัดเจน เพราะฉนั้นกระผมมันจะมาเองนั้นมีมีพื้นเพมาเป็นเด็กบ้านนอกอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมาจนเป็นเด็ ก, เดกๆเพราะครอบครัวยากจนแม่ไม่สบายก็ <S <S ทํางานขยั น, น เ, ยเหมัอนเพียนเหมือนไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่พอมาปฏิบัติกรรมฐานนิสัยวาสนาตัว น, นั้นมันมาเป็นตัววาสนาที่ทําให้เราขยันที่จะเรียนรู้ในวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ตลอด นั้นเราก็คิดว่าได้อาจารย์กำพลเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาตรงที่ว่าคือไม่ต้องไปปลูกเรั่วสะทากันมากมายเพราะอาจารย์กำพลได้เห็นตัวอย่างชีวิตอาจารย์กำพลได้เห็นชีวิตแล้วแล้วคนขนาดพิการขนาดนี้เรื่องทำแล้วเข้าใจได้เลยแล้วคนดีๆที่ครบทุกส่วนดีทุกส่วนทําไมจะเข้าใจไม่ได้เพราะอะไรนี่มันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นตรงนั้นมานะ ดังนั้นก็ในแต่ละปีแต่ละปีก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับจะเห็นรูปนามนามรูปเห็นในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ยากเลยแต่ที่เห็นยากที่สุดคือมาเห็นตัวการเคลื่อนไหวของอารมณ์ที่เรียวาอาสวะเนี่ยยากมากมันจะต้องดูกันนานนะ แต่บางคนอาจจะเห็นง่ายแต่จะทําให้มันหมดได้หรือเปล่า น, นั้นอันนั้นมันมันก็ไม่ใช่ง่ายเรื่องระดับเห็นได้ไม่ยากแต่จะระดับให้มันหมดมันสิ้นเนี่ยมันยากตรงนั้นดังนั้นเองเราก็เชื่อมั่นว่าในวิธีการหลวงพ่อเทียนเป็นวิธีการที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายขึ้นอยู่กับว่าคนเข้าใจได้ระดับไหนเท่านั้นเองนั้นเองก็มาเองได้ถ้าพบหลวงพ่อเทียนอย่างเดียวถ้าไม่พบหลวงพ่อคําเขียน ก็คงไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะเพราะว่าการสอบอารมณ์ของหลวงพ่อคำเขียนเพราะในฟังภาษาหลวงพ่อเทียนเป็นภาษารหัสนะภาษารหัสหมายถึงว่าเราเข้าใจไม่ชัดแจ้งเราอ่านลายแทงของท่านออกไม่หมดแต่พอมาอาศัยหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์โควิดมาอาศัยอาจารย์โควิดเนี่ยที่นํามาสู่หลวงพ่อเทียนอาศัยหลวงพ่อเทียนนามาสู่หลวงพ่อคำเขียนแล้วได้อาศัยหลวงพ่อเขียนมาอ่านลายแทงของหลวงพ่อเทียนได้ชัดแจ้ง ก็เลยทำให้เราไม่ลังเลนในการที่จะปฏิบัติเพราะว่าตัวเองเคยผ่านปริยัติมาทั้งเรียนมหาวิไลสง์ทั้งเรียนบาลีมาเนี่ยมันมันยอมรับไม่ได้ง่ายๆเลยนะจะต้องมาตรวจมาสอบมาวิเคราะห์วิจัยกันว่ามันลงตัวกันหรือเปล่าแต่ละแห่งแต่ละอันจนว่ามั่นใจว่ามันลงตัวกันได้ทุกอย่างแล้วก็เลยทุ่มเทปฏิบัติปฏิบัติมาแบบว่าแต่การที่จะปฏิบัติให้ ให้ก้าวหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยมันมีอุปทานหรือมีนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนอยู่อย่างคือว่าอะไรที่ทํามาบ่อยๆแล้วแวเออเป็นคนเก่าแล้วเรียนมานานแล้วยังไงก็ได้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้เลยสําหรับการมาทําเรื่องของจิตใจอาจจะใช้ได้ในเรื่องของปริยัตแบบทั้งโลกโ่าเรียนมานานแล้วจาได้แล้วไม่ต้องเรียนอีกก็ได้เนี่ยอันนั้นเป็นระดับสัญญาเนี่ยเราใช้อันนั้นได้แต่พอมาระดับวิปัสสนาแล้วเนี่ยทุกอย่างต้อง ทำใจว่าเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยว่าเราตั้งต้นใหม่อยู่เสมอเพราะมันเป็นธรรมชาติอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทังนั้นความเก่าความมีเวลายาวนานเป็นรัตติการที่เราอาศัยว่าอยู่มานานเนี่ยบางทีใช้ไม่ได้เลยนะแต่ที่ใช้ได้ก็คือว่าทุกครั้งที่ ลงมือปฏิบัติตั้งใจว่าเราเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเนี่ยได้เปรียบเหมือนเราจะไปหาผักมาแกงเนี่ยเราไม่เคยเด็ดเอาผักแก่มาแกงเราไม่เคยเด็ดเอาใบแก่ของผักมาแกงเราจะไปเด็ดเอายอดยอดมาแกงเพราะอะไรเพราะมันใหม่อยู่เสมอแต่ถ้าเราทําใจให้ใหม่เสมอเนี่ยเราก็ได้บริโภคทำที่มันใหม่ได้สดเสมอมีธาตุแห่งทำที่สดเสมอ ธรรมธาตุตรงนั้นก็มาบำรุงเลี้ยงด้านจิตใจและอารมณ์ปฏิบัตินี้ให้สดชื่นอยู่เสมอเหมือนเราได้กินยอดผักทุกครั้งถ้าหากก็ทุกครั้งถ้าเราตั้งใจว่าเป็นผู้ใหม่เสมอเหมือนว่าเราได้กินยอดแห่งธรรมและธรรมธาตุที่สดและใหม่อยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่แล้วผมอ่านมาเยอะแล้วผมเรียนมาเยอะแล้วผมปฏิบัติมานานแล้วทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้เธอปฏิบัติเพึ่งปฏิบัติต้องทําให้เยอะๆหรือเปร่าเนี่ยคานี้อาจจะพูดใช้ไม่ได้เลยสําหรับ การปฏิบัติในวิธีนี้นะจะมาผ่านประสบการณ์นี้มาก็โอ้มันจะเป็นข้อด้อยหรือข้อพัฒนายากสําหรับคนคนนั้นอนะุมาก็อมาเปลี่ยนใจสมัยเราทําเหมือนไม่รู้อะไรทําทุกครั้งนะว่าเรากําลังลงมือปฏิบัติเป็นคนใหม่ก็อยากจะเน้นจุดนี้นะนั้นอีกอย่างหนึ่งในวิธีการหลวงพอเทียนนั้น มาว่ามาเรียนนักธรรมเนี่ยนักธรรมหน้าแรกหลายคนที่พระเน้นที่เราผ่านเรียกว่านวโกวาทใครร้องพอเปิดหนังสือนวโกวาทขึ้นเนี่ยคนที่ผ่านนักธรรมมาทุกคนจะผ่านหน้าแรกเลยนะธรรมมีอุปการะมากสองอย่างมันมีอยู่ธรรมอยู่สี่ชุดหน้าแรกของนวโกวาตเนี่ย ทุกคนที่เรียนธรรมตรตีมาผ่านหมดทำมีอุปการะมากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะทำอันทำให้งามทำอันอคุ้มครองโลกสองอย่างคือเฮริโอตาปทำอันทำให้งามสองอย่างคือขันติโสรัจจกบุคคลหาได้ยากสองอบุคคลสองประเภทคือ กัจจันยูกะตะเวทีหนึ่งบุพการีสองกัจจันยูกะตะเวทีเนี่ยทาชุดแรกมีอยู่สี่ชุดปรากฏว่าเราเรียนมาปฏิบัติมาแล้วมาได้ข้อสรุปว่าอ๋อท่านมหาสมณะเจ้าเนี่ยท่านมาย่อทำทั้งหมดไว้แล้วอยู่ในหน้านี้แหละเพียงหน้าเดียวนวา่ากลวว่าไม่ชีย้ยังไม่เคยสอนธรรมติธรรมศาให้ไปดูใหม่กันหน้าเดียวนะ ธรรมมีอุปการะมาก2 อ, อย่างคือสติและสัมปชัญญะท่านเปรียบธรรมชุดนี้เหมือนพ่อกับแม่สติคือแม่ปัญญาสัมปชัญญะนั้นถ้าเรียกในภาษาที่เป็นทางสมาธิอยู่ใน น, น้นท่านผ่านสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแต่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวว่าสติปัญญาเราไม่ใช่เออมีทำอะไรมีสติปัญญาบ้างสิ แต่พอในภาคปฏิบัติทำอะไรให้มีสติสัมปชัญญะเพราะสติที่ผ่านสัมปชัญญะมันจะเป็นปัญญาในฝ่ายโลกุตระแต่ถ้าสติมันผ่านทางสมาธิก็ยังไม่แน่ว่าเป็นโลกุตระเพราะนั้นสัมปชัญมมชญะสติสี่มีตัวตัวสัมปชัญญะสี่มาเป็นตัวตรวจสอบว่าเป็น ส, ม, ม, สมัติสติไหมต้องมีสัมปชัญญะสีเข้ามาประกอบนะพาะนมมญานิสติเหมือน แม่ปัญญาเหมือนพ่อในในนามของสัมปชัญญะเพราะส่วนใหญ่แล้วว่ารู้จักสติปัฏฐาน4ี่แต่น้อยคนที่จะรู้จักสัมปชัญญะสีแต่ตัวนั้นเนี่สัมปชัญญะสี่เป็นตัวแบ็กอัพหรือเป็นตัวตรวจสอบในตัวสัมมาสติถ้าหากไม่มีสัมปชัญญะสีเนี่ยสติที่ปฏิบัติอยู่อาจจะไม่ใช่สัมมาสตินะที่ได้ฝากให้พิจารณาก็คือตัวสัมมาสติที่ว่ามีสัมปชัญญะสีประกอบ สมัยศีรหลายคนเคยได้ยินนะอันแรกว่าไงศาสตกะสัมปัญญาใช่ไหมศาสตกะ อ, อันที่สองเรีกส ป, ปายะสัมปัญะอันที่สามเลียกโคจระสัมปัญญาอันที่สี่ก็คืออสมโมหาสัมปัญญาหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำสัมปัญญาสี่แต่ท่านที่เรียนมาแล้วรู้มาแล้วนี่ ก็คงจะได้เคยได้ยินว่าตัวนี้เป็นตัวประกอบอย่างสําคัญของสติปัญสีท่านใช้คําว่าศาตตะสัมปชัญญะสมมุติเรานั่งเนี่ยเป้าหมายของการนั่งคืออะไรเราเคยถามตัวเองไหมนั่งตัวเนี้หรือเดินมาจะลุกไปเนี่ยมาเป้าหมายที่ลุกไปเนี่ยไปไปทําอะไรจะไปห้องน้ําใช่ไหมสมมุติเอาจะลุกไปไปห้องน้ําทันทีที่ว่าจะไปห้องน้ำเนี่ยศาตตะสัมปชัญญะมาแล้ว ให้รู้สึกตัว NYU, พวกพร้อมว่าศาสตร์อัตกะคือสิ่งที่จะทำให้อ่าให้เกิดประโยชน์และเป้าหมายของการกระทำในในขณะนั้นน่ะศาตกะศาสตะกะศาสตกะสัมปชัญญะศาตะกะสัมปชัญญะเนี่ยหนึ่งให้รู้เป้าหมายว่าเราจะทำอะไรขณะหนึ่งหนึ่งนะสั้นๆเป้าหมายขณะที่เรานั่งเราจะพลิกซ้ายไปขวาเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไร สังเกตก่อนไหมถ้าไม่ทันสังเกตแล้วเปลี่ยนเลยเนี่ยเรียกว่าเราเปลี่ยนแบบไม่มีเป้าหมายสซึ่งมาเปลี่ยนขาปั๊บเนี่ยถ้ามานึกขึ้นก่อนว่าจะเปลี่ยนขาเปลี่ยนไปทํำไมอย่างไรอ๋อเปลี่ยนเพื่อมันปวดนั่งนานแล้วแล้วก็ตามดูกันเปลี่ยนเป้าหมายคือความสบายเปลี่ยนเพื่อความสบายเป็นสัตวากศสมญาสองขนาดที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วรู้สึกสบายแล้วรู้ไหมว่าสบายมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วความไม่สบายที่นั่งอีบดหายไปอย่างไร ตรงนี้เขาเรียกสปายะคือเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกสบายเขาว่าสปายะเปลี่ยนรู้สึกสบายอ่าเราเห็นความสบายเกิดขึ้นไหมถ้าสบายความสบายเกิดขึ้นโดยที่ไม่เห็นมันมันเป็นดโดยอัตมัติโดยเปี่เขาเรียกก็เป็นโมหะเพราะความสบายเกิดขึ้นอย่างไรไม่รู้แล้วความหนักที่ก่อนที่จะเปลี่ยนมันหายไปอย่างไรไม่รู้ไม่เป็นสปายะสัมปชัญญะอันที่สาม โคจรสัมปัญญะในขณะที่เราเปลี่ยนเนี่ยกายกับใจโคจรร่วมกันได้ไหมหรือกายไปทางใจไปทางกายกับใจร่วมกันในการเปลี่ยนร่วมรับรู้กายก็รับรู้ต่อรู้สึกใจก็รับรู้ต่อการเปลี่ยนกายกับใจโคจรไปร่วมกันเรียกว่าโคจระสัมปชัชญะอันที่4ี่อสัมโมหสัมปัญชะ มันคล้ายๆเขาพราอะอะสัมโมหะแปลว่าลืมเนื้อลืมตัวอะสัมโมหะแปลว่าไม่หลงลืมในสิ่งที่ผ่านมาในขณะเมื่อกี้นี้หมายของว่าถ้าจะมาจะเปลี่ยนท่าเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาสบายมันสบายอย่างไร มันไม่สบายอย่างไรต้องไม่ลลมลืมว่าตั้งแต่แรกเจตนาที่จะเปลี่ยนเนี่ยอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรเป็นตัวเป็นเหตุให้เราต้องเปลี่ยนรละลึกย้อนไปทีนถ้าหากง่ายๆก็คือเหมือนอาตมาลุกไปที่นี่แล้วไปห้องน้ําพอไปถึงห้องน้ําปับ๊บเหมือนอ้าสัมมุหันไปว่าเหลวหลังเน่ยเล้ยวดูผ่านมาวิ่งขี้เห็นทางไหมพอกลับจากห้องน้ำนั่งที่นี่อีกสามารถระลึกย้อนไปว่าออกจากห้องน้ํามาถึงเนี่ย รู้สึกอะไรอย่างไรบ้างผ่านอะไรบ้างรู้สึกสบายไม่สบายการทวนกลับไปกลับมาให้เห็นชัดอย่างนี้เรียก ว, ว่าอาัศโมหะคือไม่หลงลืมในสิ่งที่ทําไปแล้วกําลังทําอยู่และจะทําต่อไปเรียก ว, ว่าอาสมโมหะนี้คือความหมายเขาว่าสัมปชัญญะสี่สัมมาสติสติตรงนั้นมันจะมีความหมายโดยที่มีตัวสัมปชัญญะสีเนี่ย 4, เป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวแบ็กอัพมันอยู่ชุดที่หนึ่งโอ้ตัวนี้เองท่านจึง เรียนเป็นอันแรกมันก็จะมีเรียกว่ามีประโยชน์ในการใช้ชีวิตทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระต้องใช้ชุดนี้เข้ามาท่านเจอามาเป็นชุดแรกเลยว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมเป็นมีอุป่เร ะ, ะคุณเสมือนพ่อและแม่ชุดที่หนึ่งนะทั้งหมดมันสี่ชุดชุดที่สองธรรมคุ้มคลองโลกสองอย่างโลกทั้งโลกเนี่ยมันจะมีสิ่งคุ้มคลอง คุ้มครองได้ทั้งโลกเลยถ้ามีทำสองอย่างเนี่ยทำนั่นคืออะไรเฮริโอตาปาอายชั่วกลัวบาปคุ้มครองได้คนไหนที่อายและอายชั่วกลัวบาปคุ้มครองตัวเองได้คุ้มครองอทั้งกายได้คุ้มครองทางใจได้อายชั่วและอายชั่วแต่ในระดับเราเนี่ยละอายชั่วกลัวบาปในระดับโลกิยะก็คือเราเราไม่กล้าทำ ชั่วทำผิดไม่กล้าพูดช่วพูดผิดไม่กล้าผิดศีลเนี่ยเราละอายต่อเพื่อนฝูงต่อสังคมภายนอกเขาจะรู้เราก็ปฏิบัติตัวเองอยู่ในศีลทำมันดีว่านธรรมมันดีไม่กล้าทําอะไรเพื่อเฉิดพระเจือในต่อหน้ากูแต่รับหลังแล้วฉันทำํำกินเหล้าสูบุรีพูดปดพูดซอเสียดนินทาเพื่อนอะไรก็ตามเนี่ยตอหน้าสังคมเราไม่ทําแต่เรา แอบทำด้วยตัวเองลักษณะนี้เขาเรียกว่เป็นฮีริโอตปะระดับโลกียะแต่พอเรามาปฏิบัตินานเข้านานเข้าเราเห็นมองเข้ามาเราแอบเห็นตัวเองคิดไม่ดีเราละอายโอ้ฉันคิดไม่เข้าท่าแล้วเราเห็นความโกรธของตัวเองเราอายที่ตัวเองยังโกรธอยูอ่เราปรุงแต่งในเรื่องเพ้อเจอ้อแล้รู้สึก อ, อละอาย กลัวเป็นแบบละอายตัวเองการที่ละอายตัวเองเป็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นฮิริโอตปะประดับโลกุตระเอามามีในทานสั้นๆเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังโบราณมากนะท่านบอกว่ามีสำนักของฤาษีสำนักหนึ่งแต่ละปีเนี่ยคนส่งลูกหลานเข้าไปเรียนกันเยอะมากแต่ว่าก่อนที่จะ พระฤๅษีก็จะมีข้อสอบแต่ละปีให้สอบผ่านหรือไม่ผ่านมีอยู่ครั้งหนึ่งฤๅษีออกข้อสอบข้อเดียวถ้าผ่านแล้วผ่านเลยถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านข้อสอบนั้นบอกว่าให้ทุกคนออกไปขโมยของมาหนึ่งชิ้นโดยที่ไม่ให้คนเห็นอะไรก็ได้เข้าไปบ้านนันกศึกษสาสาสิคนปล่อยเข้าบ้าน ขโ ม, มยอลไรมาก็ได้เข็มเล่มหนึ่งอะไรนี่เขาเขาให้ได้แต่เงื่อนไขสําคัญอย่าให้คนเห็นทุกคนก็ออกไปขโ ม, มยของมาถึงเวลาก็มาส่งอาจารย์คนหนึ่งได้เข็มคนหนึ่งได้ไปลักเด็ดใบ ไ, ไม้บ้านมาได้ใบไม้คนนั้นได้ไก่มาคนนั้นได้ไข่มาคนนี้ได้เสื้อมาคนนี้ได้ผ้ามาอาจารย์ก็ถามใครบ้างที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ของมาเลย มียกมืออยู่คนเดียวเอ้าไม่ได้ทําไมพวกเขาได้กันหมดเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขคือไม่ให้คนเห็นแต่ถ้าอาจารย์ครับผมไปขโมยที่ไหนมีแต่คนเห็นผมเลยไม่ได้เอ้ามันยังไงเขาคนอื่นที่ยเขายังเห็นแต่ผมเห็นตัวเองอะ่ะผมจะคึ้งมือไปหยิบแล้วผมเห็นตัวเองอี่ผมกเลยไม่ไไมกล้าเพราะผมเป็นคนโอ้โห อาจารย์บอกงานนี้ผ่านเธอคนเดียวนอกนั้นสอบตกหมดขอสอบอาจารย์เด็ดขาดหนะ่อยผ่านเธอคนเดียวนอกนั้นเรียนต่อใหม่เห็นไหมอันนั้นตัวอย่างของศีลที่เป็นโลกุตระคือการเห็นตัวเองเพราะฉนั้นวิธีการของพ่อเทียนเป็นวิธีการที่กลับเข้ามาเห็นตัวเองแต่กลับมาเห็นตัวเองด้วยในระดับไหนระดับกายระดับเวทนาระดับจิตระดับอารมณ์ รับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีของตัวเองเห็นน่ะว่ามันไม่ดียังไงถ้าหากว่าเห็นสามารถเห็นคนไหนเห็นตัวเองได้คนนั้นเรียกว่าพึ่งเริ่มต้นที่จะเป็นคนน่ะที่แท้จริงเป็นมนุษย์ที่แท้จริ ง, นนธธ แ, รงแต่ถ้าตราบใดเรายังไม่เห็นตัวเองที่แท้จริงคือเห็นตัวเองเขาเห็นน่ะแต่เห็นว่าเห็นแล้วอายในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็กลัวในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อน เล้วอายชั่วกลัวแบบฮิริท่านเปรียบเสมือนหญิงสาวที่แต่งตัวสวยแล้วเนี่ยย่อมจะไม่เข้าไปสู่สถานที่สุกปลกหรือโรกรุงหลังชั้นใดพราะกลัวจะต้องไปได้แต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ฉันใดคนที่มีหิอุตปะก็ฉันนั้นย่อมจะกลัวต่อการฮิรินะย่อมจะกลัวต่อการแปดเปื้อนแปดเปื้อนของทังด้านจิตใจไม่กล้าคิดแม้ในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลาย อโอตปะท่านเปรียบเสมือนกับบุรุษคนทั่วไปที่กลัวอาสาราพิษกลัวการเหยียบน้ําเหยียบในายกลัวอาสาราพิษจะเหยียบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดินไปแล้วอันไหนที่จะไปเหยียบแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนกลัวอาสาราพิษจะกัดจะขบเอานี้ก็จะไม่เหยียบในสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าโอตปะคนไหนก็ตามคิดพูดทําอะไรสิ่งมาสิ่งใดมาจะทําให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยถ้าเกิดให้เกิดความเดือดร้อนทีหลังจะไม่ทําให้พูดไม่คิดในสิ่งนั้น เรียกว่าคนนั้นมีโอตตะปะในระดับของปุถุชนคนทั่วไปก็ไม่พูดไม่ทําในสิ่งนั้นกลัวเดือดร้อนแต่ในระดับของผู้ปฏิบัติจะต้องไม่คิดในสิ่งที่จะทำให้เดือดร้อนด้วยเรียกว่าโอตตะปะระดับโลกุตระตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นของศีลหีดีโอตตะปะจึงเป็นแม่ของศีลแต่ว่าแม่ในระดับศีลระดับสมมุติหรือระดับปรมาถ้าเป็ น, นปศีลปรมาถือคือศีลที่มีหีดีโอตตะปะในระดับที่ โลคุตระนั่นเองว่สนะาสินเปรมัต์นะคนรักษาศินศินรักษาคนคือตัวนี้ถ้าหากว่าศินเป็นปรมัต์แล้วก็ศินก็รักษาคนแต่ถ้าหากว่าระดับโลกุตระ ก, ก็คนจะต้องรักษาศินอยู่เนี่ยอ๋อทำ ท, ที่สองนี่มันได้แก่ศีลฮิเลต์หรปะทำชุดที่สามละ่ะทำอันทําให้งามสองอย่างคือขันติได้โสราจั ขันติประมังตะโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสขันติที่จะทําให้งามนั่นเป็นขันติที่ชนิดเผากิเลสนะไม่ใช่ขันติธรรมดาขันติติติขาขันติประมังตโปติติขาคือสามารถอดกั้นเป็นอธิวาสนาขันติเนี่ยอดกั้นต่อท่านบอกว่าขันติเนี่ยมันมีอะไรมีนิยามหรือ d e ฟ i n i t i o ของมันอยู่4อย่างหนความอดทนต่อแดดต่อฝน ความอดทนต่อการตักตาการทํางานความอดทนต่อทุกเวทนาต่างๆความอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีและความอดทนต่ออารมณ์ที่บีบคั้นภายในอาการอดทนต่อการทําการตำการทํางานด่าว่าเสียสีและอดทนต่อทุกเวทนาต่างๆก็ยังเป็นโลคิยะอยู่แต่การอดทนต่ออารมณ์ที่บีบคั้นเนี่ยเป็นขันติในด้านในระดับปรมัตา์แล้วตรงนี้เอง นะทำมันทำให้งามอดทนแล้วต้องในระดับประมติต้องมีคำว่าโสรจัดจิตใจที่ส ง, งยมงามแต่ถ้าเราบว่าอดทนได้ไม่แสดงอาการตอบสนองจนเสียกิริยาเขาพูดมาเราไม่น่าบึงหน้าตึงหน้างิ้วหน้างออย่างเฉยอย่างยิ้มได้สบายก็ถึงยังถือว่าเป็นโลกิยาอยู่แต่ด้านจิตใจไม่สะเทือนไม่สะท้านหวันว่นไหวจิตใจยังปกติได้อยู่หน้าตาจะเป็นยังไงก็ต่างไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สคัญ บางคนอาจจะยิ้มกรุบเกลื่อนใช้ศิละปะในการแสดงออกอดทนได้ใครด่าใครว่าสามารถยิ้มได้แต่ใจข้างในนั้นมันหวั่นไหวแล้วอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นโลกิยะอยู่แต่ถ้าจี่ใจยังเข้าใจเกิดความเมตตาเกิดความสงสารผู้ที่มาด่ามาว่ามาเสียภาษีก็เรียกว่าจิตใจก็สงบงามด้วยนะอันนี้เป็นตัวของสมาธิขันติและสุรจะอ่า อันสุดท้ายนี่น่าคิดมากปุพภากาลีและกะตัญญูกัตเตเวทีท่านเอามาพ่วงตัวนี้ทําไมทําหมดอื่นมีเยอะแยะแต่ทําไมต้องเอาปุพภากาลีกตัญญูกตักตเตเวทีมาปิดท้ายตรงนี้ในหน้านี้ในนวกวัตรหน้านี้ท่านกลับยิ่ท่านไปเปิดดูเลยหนังสือนวกวัตหน้าแรกจะมีทำสี่ชุดเนี่ยเป็นตาําราเล่มแรกที่สุดของผู้เข้ามาบวชใหม่นะเป็นนวกกะเรืยซ้ําไปแต่เราลืมไปหมดละทาไมต้องเอาการทำชุดนี้เข้ามาล่ะ อ๋อเอามาเมื่อก่อนเหมือนดูไม่มีเหตุผลเลยว่าเอ๊ะทำไมพระสารีบุตรเนี่ยรู้ข่าวว่าพระอาชัยชี้ที่เป็นอาจารย์ของท่านนอนที่ไหนแล้วท่านจะนอนคืนนั้นถ้าจะเบนหัวนอนไปทางนั้นเพื่อแสดงออกว่าท่านเป็นเคารพอาจารย์มีความกตัญญูกระแต้วเวทีต่ออาจารย์แล้วก็พระสารีบุตรนี่เองที่ว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาเพราะได้เฝ้าดูเวทนา เพราะทำที่ท่านฟังแล้วท่านบรรลุธรรมได้ขณะฟังธรรมคือเวทนาปริคหาสูตรซึ่งพุทธิจ้าแสดงแก่ลุงหรืออาของท่านที่ว่าที่คา น, า, เคเนาคาคืเวสนาโคตแต่ว่าภาษาลิบุตรหน้าร้อนอย่างเงี้ยท่านก็ถวายงานพัดอยู่ข้างหลังท่านก็ฟังแอบฟังไปด้วยขณะที่แอบฟังเกือไปเข้าใจเข้านะก็เรียกเวทนาท่านโปร่ปงตัดเรื่องเวทนาปริคหาสูตรที่โยงตรงนี้ตรงที่ว่าพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ นั้นผู้มีปัญญาเป็นเลศิศจะต้องมีคุณธรรมสองประการเป็นหลักหนึ่งมีปุเพปุภการีคือชอบทําอะไรให้ใครก่อนไม่ยอมเป็นหนี้ใครแต่ทําเป็นสองเป็นคนมีกตัญญูและก็แสดงความกตัญญูชัดเจนด้วยคนมีปัญญาจะต้องมีตัวนี้เพราะฉะนั้นภระาริบุตรนอกจะมีปัญญาเป็นเลิศชื่อว่าเป็นผู้มีกตัญญูสูงแม่ของท่านเคยโกรธท่านแบบว่าไม่ไม่ยอมมองหน้ากันระหว่างลูกกับแม่เลย ท่านสงสารแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิเพราะอะไรเพราะท่านออกบวชแล้วดึงน้องสาวน้องชายมามาบวช ด, ด้วยหมดสกุลพราหมณ์นี้ไม่ยอมเลยขาที่เข้ามาบวชแต่ว่าในที่สุดต้องต้องยอมด้วยความจำใจแต่ก็ไม่ไม่ไปพบกับพระสารีบุตรในที่สุดพระสารีบุตรก่อนที่จะมรณาภาพท่านนึกถึงแม่แม่ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่เลยจะมรณาภาพได้อย่างไรท่านก็เลยให้ค น, นาพาไปนอนที่บ้านแสดงธรรมแก่แม่จนกระทั่งแม่ยอมฟัง และก็ยอมเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐินั่นคือ อ, อยากจะแสดงให้เห็นว่าคนที่มีกตัญญูกตเวที น, นเป็นคนมีปัญญาที่เป็นถูกต้องที่เป็นลูกุตระธรรมได้เพราะมันปรากฏหลักฐานดังนั้นสติสมัญญานั้นคลอดลูกออกมาเป็นสา ม, สามชุดศีลคือฮีเรีเอุตตปะสมาธิคือขันติโสรัจจะปัญญาคือกตัญญูกตเวที พบชุดอย่างนั้นเลยเพราะนั้นสติสมิญะจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายแต่พ่อแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งหมดนั้นก็มารวมอยู่ในสามชุดนี่เองคือศีลสมถิปัญญากลายมาเป็นไตรสิขาในเวลาต่อมานี่นะดังนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปอ่านอะไรตำตราพระธรรมวิโดใ ห, ให้ให้มากมายเข้าไปศึกษาทำสี่ชุดแล้วตีความหมายให้แตกนี่เพียงพอเลยและคําสอนของพระเียนก็อยู่ตรงนี้ว่าท่านเริ่มรุดเริ่มต้นด้วยสติท่านสอนสติคําเดียวตลอด สามสิบเอ็ดปีในชีวิตของท่านแต่ว่าในมิติต่างๆในความหมายต่างๆในบุคคลต่างๆในเหตุการณ์ต่างนะที่ที่จะต้องจําจแนกแยกแยะไปตามสารานะของคนฟังนะเพราะนั้นเรื่องนี้มาว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายโชค ด, ดีที่เดินเข้ามาในาในวงแวดวงของทางสายนี้ในสถิติฐาน สแบบเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนแต่ละคนไม่รู้กันว่าเคลื่อนไหวระดับไหนคนนี้กําลังศึกษาเคลื่อนไหวระดับกายก็ดูกายไปเรื่อยๆอคนนี้ได้ทั้งกายด้วยเวทนาก็ดูเป็นแล้คนนี้เวทนาก็ดูเป็นกายก็ดูเป็นดูจิตเป็นด้วยกายเคลื่อนไหวกําลังคิดอะไรมันคิดไปทางไหนคิดมากคิดน้อยอ่าแล้วดูอารมณ์เป็นด้วยคิดดีหรือไม่ดีอ่าคิดดีคิดยังไงก็ เ, เห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดทะลุ4ีระดับ แล้วก็จนกระทั่งมันสมดุลกันแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียก ว, ว่าการเห็นการเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับแล้วตรงนั้นก็มุ่งหน้ามุ่งตาที่จะทําอาสวะให้สิ้นเท่านั้นเองนะดังนั้นเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติในสถิปติฐานสี่ในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่ได้มีสอนกันหลายสำนักอย่างทุกวันนี้ สมัยครั้งนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือสาวกแสดงธรรมแล้วมีคนได้ดวงตายเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ง่ายเพราะอะไรเพราะผู้ที่พูดในความหมายนี้มีแต่สำนักของอ ส, สมณโคตมะเท่านั้นของพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้สติปัฏฐานสูตรเป็นร้อยร้อยสำนักเป็นพันพันสำนักแต่และสำนักก็คนละแบบคนละอย่างไปแต่พูดถึงหนึ่งสติปัฏฐานสีเหมือนกันแต่คนละความหมายสติปัฏฐานสีแบบพูดโทธสติปัฏฐาน4แบบสัมมาระฆังสติปัฏฐานสีแบบสสนส่แบบ อาโมพุทธยะสี่ประธาน4แบบเคลื่อนไหวสี่ประธาน4แบบนั้นหลายอย่างเราก็เลยสับสนเสี่สิธยะเหมือนกันแต่ว่าความหมายไปคนละแบบลาอย่างนี้มาทําให้เนิ่นช้าเราฟังใครพูดหรือใครกล่าวเรื่องสิ่ประานสีก็หลายกันหลายอาจารย์หลายครั้งเราก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความลังเลสงสัยลึกๆเนี่ยเรายังฆ่ามันไม่ได้ ในคุณธรรมส่วนหนึ่งก็คือวิจิขิชาเนี่ยใช่สกฤติทิฏวิจิขิชาตัวนี้เลยข้ามมันยากแล้วสีและวพัตตาปรมาแล้วก็ยังอวดดืด้อทื่อดียังติดดีอยู่เยอะก็ข้ามยากแม้แต่คุณธรรมเบื้องต้นของพสิสดารบั น, นะดังนั้นเองถ้าหากว่าเราเจริญสติเห็นตัวเอง ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดๆแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าใจรูปนามได้พอเข้าใจรูปนามได้มันก็เริ่มเริ่มชำละเริ่มชําระตามภาษาพระเรียกว่าสักยะทิฐิคือเริ่มชําระความคิดความเห็นส่วนตัวเนี่ยออกได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสักยะทิฏฐิความสาคัญมันหมายว่าตัว ต, วตวนแกจะน้อยลงน้อ ย, อยลงไปคัดกะลงไปเรื่อยๆนะซึ่ง เมื่อก่อนจะมาเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติแบบอานาปนสติแบบหลวงพว่อพุทธธาตุเนี่ยอยู่สองสปีมันไปไม่รอดเพราะอะไรไม่ใช่ว่าการรมฐานไม่ดีอาจารย์ไม่ดีแต่อินทรและมลอ่อนไงถ้าหากว่าเรานั่งปฏิบัติตําหนดลมหายใจนับเข้านับออกนับหนึ่งสอสามเข้านับหนึ่งสอาออกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราเริ่มง่วงแล้วถ้าไม่ง่วงมันก็หลับไปเลยนั่งหลับได้อย่างสบายก็จะเป็นอยู่เนี้ยทุก ครั้งที่มันเป็นว่าหนึ่งอดลนทนไม่ได้ไปถามหลวงพ่อพุทธทาสเพาหลวงพ่อผมปฏิบัติมาตรงนี้มันถึงอยู่เนี่ยมันก็ติดทุกทีถ้ามันไม่ฟุง้งซ่านหรือไม่หลับไม่ง่วงมันก็มันก็ได้อารมณ์อีกแบบสงบลึกติดลึกติดฌานติ ด, ตดสงบวนอยู่อย่างเงี้ยผมจะทําไงต่อท่านบอกว่าท่านอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแก้ อ, รอารมณ์อนาปนาสติไว้อย่างละเอียดในอานาปนสิตสติสติบหกขัน้นท่านออกไปต่างอ่านดูที่นั่น นี้คำตอบของท่านโอ้ถ้าหากว่าแค่ไปนักอ่านหนังาาสือแล้วมันหมดแล้วผมจะมีเวลาไปอ่านได้ไงก็มันก็ไม่เวิร์กนะต่อมาเมื่อในสำนักของพระพุทธเจ้าตนนั้นผู้ที่เป็นมือเอกของพระพุทธเจ้าคือท่านอาจารย์กวิธิมา น, านันธาเลนะมือมือขวาที่เดียวมือซ้ายคืออาจารย์วรสักวรรมโม มาก็ตามอ่านงานของท่านนะอยู่ส่วนโมกมา2อสปีตั้งแต่ปีหนึ่งหกหปีหนึ่งเกถึงมาพบหลวงพ่อเทียนว่าเราใช้อานาปนานสติไม่เหมาะกับอีสีของเราเพราะว่าอะไรเพราะอนข้ามนิวรณ์ไม่ได้แค่ถึงง่วงก็ข้ามไม่ได้แล้วพอจะง่วงได้เอาไปเกิดไปติดในเรื่องของปีติของสมาชีระดับต่างๆก็ข้ามไม่ได้แล้วพอมาเจอวิธีการหลวงพ่อเทียนพอจันทร์กุวิทเนี่ยท่าน <c oughs> อันนี้รายละเอียดเยอะนะไม่ต้องโยงถึงโยงถึงว่ามาพบหลวงพ่อเทียนในที่สุดท่านก็บอกยกมือเนี่ยขอน้ำสักขวเ น, นะนาะขอแห้งลิ้มเสิบน้ำวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศยาวหน่อยก็แล้วกันเนาะหลายๆมิติก็เมื่อมาปีปี 19, หนึ่งมาพบหลวงพ่อเทียนที่วัดสวนแก้วเป็นผ้าหลวงตา หน้าตาสุดไซส์ในแาสางสะัวเดียวหน้าร้อนตอนนั้นมาออกมาจากอสมอนวัชิวันบันดงอยู่อาจารย์กวิท ต, ติดมาเรียมานะมาพบเดี๋ยวมาพบหลวงพ่อเทียนตามที่มาเคยจากศึกษาจากสนโมก็ดีจากวัดมหาธาตุก็ดีมาเรียนวัดมหาธาตุมาด้วยรูปหนอ่อพองหน่อด้วยว่าคนที่จะเข้าใจาวิปัสสนาได้ถูกต้องตรงทางนั้นต้อง เห็นรูปเห็นน้ําอย่างถูกต้องเฮ้เราก็สงสัยว่าเห็นรูปทำไปถูกต้องเราก็รู้ในรูปนามกายใจเป็นอย่างเงี้อย่างถูกต้องหมายความว่างก็พกคําถามนี้มาถามหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อการเห็นเข้าใจรูปน้ําอย่างถูกต้องเป็นอย่างไรคําตอบคือท่านยกขดน้ําขึ้นท่านก็ถามว่าท่านถ้าผมเปิดขดน้ําแล้วเขาผมหยุดขวดน้ำในทิ้งนี่อะไรเกิดขึ้น น้ำก็หกหนีหมดอง น, น, นั้นอนนี้ผมปิดก็ปิดให้แน่นทีเดียวนะอันนี้ผมโยนไหลไหมเอาไม่ไหลเพราะอะไรอ๋อเพราะองค์งงพ่อปิดมันบอกว่าถ้าจะรู้จักรูปน้ำให้ไปหาตัวนี้มาจบเข้าใจไหมให้ไปหาตัวนี้มา แล้วไม่อธิบายเลยทั้งสิ้นนะามาเข้าใจว่าโอ้ท่านสอนแบบเซนนะทำให้ดูเอามามาใช้เวลาหากี่ปีรู้ไหมกว่าจะเจอฝาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าถึงปีสองเก้าหายเจอโอ้มัน ส, สหัสกันมากเลยนั้นแสดงว่าเรามไม่ฉลาดเลยนะใช้เวลาเยอะมากนะ เมื่อเป็นอย่างนี้พอจะนึกออกไดอยังมามาได้คําตอบทีหลังสมมตินะสมมตินะมันได้คําตอบทีหลังว่าขวดเนี่ยคือรูปเราก็มีแล้วสมมติน้ำอะ่ะมันอยู่ในขวดเนี่ยน้ำเราก็มีอยู่แล้วรูปน้ำครบพร้อมแต่ถ้าเมื่อไรรูปน้ำวันนี้มีอะไรมากระทบทีใดเนี่ยมันล้มทุกทีแต่มันไม่มีอะไร มันมีฝาท่านบอกให้ไปหาตัวนี้มาตัวนี้คืออะไรนี่คือคําตอบในพบอ๋อตัวนี้เองมาได้อธิบายคําอธิบายที่หลังว่าคุณสมบัติต่างๆที่เราจะหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเหมือนน้าในขวดแต่ถ้ามันไม่อยู่กับเราไม่ได้เพราะมันไม่มีฝาเท่านั้นเองก็ไปหาฝามาให้เจอต้องการดื่มอะไรก็ดื่มได้ต้องการเก็บินอะไรก็ล้มก็ไม่หายหมดก็เติมได้ แต่เาเวลาเนี่ยเรามีครบอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบรูปกระทบตาไปแล้วใจใครใครมาไปแล้วถ้าเป็นขวดก็คืออย่างนี้ใช่ไหมใครมามาเรื่องอะไรล้มขณะที่นั่งอยู่นี่ฟังเสียงใครโทรศัพท์ดังทรศัพท์ใครไปแล้วใช่ไหมล้มอีกอ เมื่อกี้เห็นอาจารย์ตุ้มประดับดอกไม้ที่กลิ่นหอมออกมาเอะดอกไม้อะไรไปกแลกลิ่นนะดื่มน้ำเอน่าจะจะเอาน้ําเย็นๆมาให้ทําไมเอาน้ําอุ่นๆมาให้ไปกันแล้วล้มโหมกเอกลิ่นดินดิ่มรถกายสัมผัสล้มทุกทีแล้วน้ำขวดทั้งขวดมันจะเหลือวันนึงมันล้มตั้งหลายทีคิดว่าจิตของเราที่วิ่งตอบสนองต่อ สิ่งที่มันกระทบอ่ะวันกี่ครั้งยมจําได้ไหมวิชีจําได้ไหมวันกี่ครั้งที่จีของเราวิ่งออกไปตอบสนองต่อสิ่งที่มันกระทบหรืที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยจำได้ไหมแล้วน้ำในคนนี่จะเหลือไหมไม่เหลือนี่คือความช้าของอาตมาลมแล้วลมอีกลมแล้วลมอีกลมลุกคุกขานจนกระทั่งมาเก็บอารมณ์ในพรรษาของหลวงพ่อเทียนเก็บอารมณ์อยู่หกเจ็ดวัน เอวันที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ตามันก็มาลองมาแลกออกข้างนอกห้องนะหลวงพ่อไปไล่ปิดหน้าต่างตีได้หมดไม่เคยเกี่รบรมณ์เข้มมาก่อนนี่สุ่านก็ไปปิดประตูหน้าต่างหมดตอนแรกไม่ทำท่าไม่ปิดประตูหน้าต่างก็มองไปทําอยู่หวันเหมือนเสือตีจัน์วันที่หตอนเย็นเออเราเป็นทุกข์มากเลยเนี่ยจับมาขังเนี่ย เราเรายังไม่เข้าใจอะไรเลยอเอาใหม่นั่งนั่งทำใหม่เราตั้งใจทำจริงจังดินั่งทำสร้างจังหวะเป็นจังหวะเรียนทำโอ้เอาครับพอลุกอีกวันตั้งใจเลยทีนี้จะทำทั้งวันนะนั่งแต่ละจังหวะแล้วก็ค่อยคอย ปรับเปลี่ยนอิเยบด์นั่งท่าที่1นั่งแบบนี้ท่าที่สองนั่งพระเพียบท่าที่3นั่งคู่เขาท่าที่สนั่งทับโซนท่าที่หนั่งชั้นเขาท่าที่6นั่งเยาคาท่าที่7จ็ดนั่งบนเตียงท่าที่แปดนั่งคาตมาตท่าที่9ก้าคาตมาตองชั้นท่าที่10นคาตมาสามชั้น51ยืนท่า12เดินทําวนไปวนมาครั้งละสชั่วโมง2ชั่วโมงในวันนั้นทั้งวันปรากฏว่าตกตอนกลางคืน ประมาณสัก3ามทุ่มก็เอนตัวลงนอนตามที่เคยฝึกหนอมาก่อนก็คือวลานอนปั๊บเราเจะกำหนดลมหายใจขนาดที่ดึงเสตียรกระโดดมหายใจเนี่ยลมหายใจมาหาปิ้วเข้าไปข้างในตัวแข็งทื่อเลยทีนี้ดินไม่ได้จะดินก็ดิ่เหมือนกับถูกผีอำอะ่ะก็รู้อยู่นะแตม่มันดินงไม่ได้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงทีนี้มันเผอกระชากลมหายใจแรงๆตัวกับดิ่งเลเออ เป็นปรากฏการณ์อันแรกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่เราทําใหม่ ท, หทําไมทีนี้กําหนดลมหายใจนั่งทําทีนี้เข้าตัวแข็งได้อีกยืนทําเข้าได้โอ้ทั้งคืนคืนนั้นดีใจว่าเราได้พบธรรมะตอนเช้ารีบมาหาหลวงพ่อเลยมาบอกอารมหลว ง, งพ่อหลวงพ่อผมเข้าใจล้วเมื่อคืนผมเป็นอย่างนี้นี้หลวงพ่อบอกนี่แหละผมเคยสอนมาแล้ว ฝึกแค่ไม่ถึงเดือนเดียวทําได้เลยขเขาเรียกว่าสมาธิตัวแข็งเกิดจากการสะกดจิตตัวเองไม่ใช่สมาธิอะไรหรอกทุกคนส่วนใหญ่นักปฏิบัติมาตายตรงเนี้ยแล้วไปสําคัญว่าเป็นรีเป็นเดนเป็นชานชัน น, น, นั้นชันนี้ที่จริงก็คือการสะกดจิตตัวเองเพราะนั้นต่อไปท่านจะทําอีกถ้าท่านต่อไปทําต่อไปแล้วท่านจะเป็นนามะพึ่งอาภาตต่อไปแล้วจิตท่านจะอ่อนท่านจะเข้าใจธรรมะไม่ได้โอ้โหท่านชี้อย่างแรงเลยในที่สุด ในวันต่อมาให้ออกอารมณ์ให้น่บอกให้มาปฏิบัติข้างนอกที่เนี้ตอนเจ็วันนะัทํานไมอนุ ญ, ญาตให้ออกข้างนอกห้องเนะี่ที่น่บอกออกมาปฏิบัติห้อ ง, งแล้วเดินจงกรมก็ได้อารมณ์ที่นี้พรรษานะัา้นธรรมพรรษาก็เบาสบายพอพรรษาก็มาเก็บอารมณ์ต่อที่ปัสสุโต ด, ดังไี้กล่าวแล้วแล้วมาเข้าใจตัวอารมณ์ปรมัตดที่ว่าเวลาบ่ายสองโมงของวันที่11บเดือนพฤศจิกายนปี29ที่ว่าเนี่ยอารมณ์ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันโปร่งมันสบาย เหมือนกันกับวันนั้นกับวันนี้เหมือนวันเดียวกันอ๋อในวิธีการของวัวเทียนมันเป็นอะไรบางอย่างที่เรายอมรับมันได้ยากมากแต่เมื่ อ, อไรวันไหนที่เรายอมรับเราจะได้เข้าใจทันทีมันเรื่องยากนะดังนั้นในลาดับต่อมาบทวิธีที่มาเข้าใจก็เลยให้และเอามาใช้ในการปฏิบัติคือการเปลี่ยนนิยบทแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะแต่ละท่าแต่ละท่าไป จนกระทั่งว่ามันต่อเนื่องประการสำคัญที่ท่านเน้นเสมอว่าให้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แต่ส่วนใหญ่เราต่อเนื่องเป็นระยะขาดช่วงไปต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ต่อมาก็เลยมาใช้เป็นอุบายในการวิธีการของธรรมาก็คือนั่งให้ต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนจังหวะไม่ต้องไปบีบคั้นทรมานตัวเองเนะี่ยท่านนี้ไม่สบายก็ไปท่านนี้แต่ขอให้เปลี่ยนให้รู้จริงๆโดยใช้สัมปชัญญะสีประการจริงๆเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ชัดเจน เห็นความสบายชัดเจนเห็นความไม่สบายชัดเจนก็รู้สึกว่าเออใช้วิธีนี้ทำงานมา20ตั้งแต่ปี3ศูนย์เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 5.8.5.9 ปเกเนี่ยเกือบ30ปีใช้วิธีนี้มาตลอดปรากฏว่าได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆฝึกฝนกับตัวเองก่อนนะดังนั้นในการที่เรามาทำเรียกว่ารรมนุสธรรมมารนาสติก็ได้มรณธรรมานุสรก็ได้สัก5าวัน แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเอาตามศรัทธานะใครจะเข้าคอร์สนี้ก็ได้ใครไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแต่เข้าหมายควาว่าเราทำากัน็มที่หน่อยถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะถือเป็นอิสระเรามาด้วยศรัทธาทำด้วยศรัทธาแล้วเราก็จะได้อะไรกลับไปบ้างไม่มากก็ น, น้อยดังนั้นพรุ่งนี้เช้าตามเวลาที่ได้กล่าวแล้วก็คือช่วงที่สเราตีละขังที่สีค ร, ครึ่งเราทำวัด แล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่ที่5้ถึงหกโมงเช้าหกโมงเช้าพระนินถ้าจะแยกออกไปมิถ บ, บาทแล้วก็พวกเราก็ปฏิบัติต่อถึง7จ็ดโมงเโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งเราจะเดินจงกรมมารับอาหารจนทุกงคุมเสร็จแล้วก็เดินมารับอาหารก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วเข้านั่งปฏิบัติท่วมกันอีกครั้งหนึ่งถึง11บเอโมงแล้วในช่วงปฏิบัติที่เราก็จะเปลี่ยนเนื้อเยบทอะไรต่างๆก็จะนําปฏิบัติในพวกนี้ หลังสิบเอโมงแล้วเราก็จะไปรวมกันอีทีหนึ่งก็คือใ น, นช่วงมาทำวัดเย็นในช่วงบา่ า, า, ายก็ให้อาบน้ำด้วยแต่สโมงห้าโมงเราก็มนานั่งปฏิบัติที่นี่1ชัว่วโมงก่อนถวัดหกโมงเย็นแล้วก็เข้าเหมือนเดิมจังเวลาในวันนี้ก็ธรรมบัญยายทั้งหมดที่กล่าวมาได้ฟังด้วยตั้งใจก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการที่จะมา มางานแล้วแทนที่เราจะมามันได้มีอะไรที่จัด ก, การทุกอย่างเจ้าหน้าที่จัด ก, การเรียบร้อยหมดเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากมางานนี้ก็คือมานั่งปฏิบัติมานั่งฟังธรรมมานั่งสวดสัตยายธรรมเล็กน้อยแต่ว่าการฟังธรรมศึกษาธรรมประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่อาจารย์กำพลไม่ใช่บ้านที่นีแต่ประโยชน์ที่ได้คือตัวท่านเองจะสามารถรักษามรรคผลนิพพานเปลี่ยนเสมือนน้าซึ่งมีอยู่แล้วในขวดแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะมันขาดสติตัวเดียว มาทำสติให้มันสมบูรณ์เสียมักผลที่ผ่านถือเหมือนขวดอยู่ในน้ำสามารถเปิดกินใช้ได้ตลอดเวลาด้วยกันทุกคันทุกคนทุกท่านถิ